ข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคประรันาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยญาสังหะอัตถกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศรีลังการันนาพระมหาอาคมธรรมาคมโมแฟเรื่องที่สามสิบเ็ดโจโดนานิวิทนิชยกถาคาถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการโจดอาบัติเป็นต้น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 ตรวจดูมาติกาก็คือแม่บทอย่างหนึ่งตรวจดูบทภาชนีคือบทที่จะแยกอย่างหนึ่งตรวจดูติกรบริเชตก็คือปรับอบัตรเช่นติการปาจิตีิติกาทุกฏกอย่างหนึ่งตรวจดูอันตราบัตคืออบัตในระหว่างอย่างหนึ่งแล้วก็ตรวจดูอนนาบัตหมายถึงไม่ต้องอบับดอย่างหนึ่งจึงอยู่พระวินัยทอนแม้เมื่อตรวจดูเรื่องก็ย่อมเห็นอบับด์บางอย่างอย่างนี้คือ ภิกษุผู้มีจีวอนหายควรเอาญ่าหรือใบไม้ปกปิดกายจึงมาแต่ไม่ควรเปลือยกายมาเลยภิกษุใดพึงเปลืยกายมาภิกษุนั้นต้องอบัตทุ ก, กฎพระวิเนทรนั้นครั้นนำสูตรนั้นมาอ้างแล้วจกักระงับอจิกรนั้นได้ทันนี้ก็ตรวจ ด, ดูเรื่องว่ามีเรื่องเกิดขึ้นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ก็คือตรว ด, ดูสูตรนั่นเอง เธอแม้เมื่อตรวจดูมาดิกาก็ย่อมเห็นบรรณาอาบัตห้ากองกองใดกองหนึ่งโดยนายมีาที่ว่าเป็นปายเตตีในพระสัมปชาญญะมุสาวาสครั้นเธอนำสูตรนั้นมาอ้างแล้วจกระงรับอธิกรณ์ น, นั้นได้ก็คือตัวดูปาติโมกข์หนึ่งมาดิกานี้นะมาดิกาว่าพระเจ้าบัญญัติว่าอย่างไรเธอแม้เมื่อตรวจดูบทภาชนีก็ย่อมเห็นบรรณาอาบัตเจ็ดกองกองใดกองหนึ่งโดยนายมีาที่ว่า ทิสุเศเมถุนธรรมในสรีระที่สัตว์ยังไม่ได้กัดกินต้องอบัตปาราชิกเศเมถุนธรรมในสรีระที่สัตว์กัดกินแล้วโดยมากต้องอบัตทุลใจครั้นเธอนำสูตรมาจากบทภาชนีมาอ้างแล้วจักระนับอธิกรณ์นั้นได้เธอแม้เมื่อตรวดูติกับริเฉดก็ย่อมเห็นการกำหนดติดกับสำคัญพิเศษบ้างติดกะปารสิตีบ้างติกัทุกกฎบ้าง อบัญญัติอย่างหนึ่งบ้างครั้นเธอนาสูตรมาจากบาลีติการปริเชษนั้นมาอ้างแล้วจากระนับอธิกรณ์นั้นได้เธอแม้เมื่อตรวจดูอันตราบัตรก็จะเห็นอันตราบัตรคืออบัติในระหว่างซึ่งมีอยู่ในระหว่างแห่งสิกาบทอย่างนี้คือที่สูตยับคิ้วต้องอบกกัติทุกกฏก็คือเป็นอบัติในระหว่างที่จะต้องอบัติสคัพิเศษข้อจัต้องกายหญิงก็ตาม หรือว่าข้อที่จะไปพูดเกี่ยวอะไรก็ตามในระหว่างนั้นไปยักทิ้วดิวตาอะไรก็มีอบับดั้นเหมือนกันดันั้นเธอนำสูตรนั้นมาอ้างแล้วจักระงับอธิกรณ์นั้นได้เธอแม้เมื่อตรวจดูอนาบัตจะเห็นอนาบัติก็คือการไม่ต้องอับัติที่ท่านแสดงไว้แล้วในสิก ข, ขาบท น, นั้นๆอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกขุไม่เป็นอับัติแก่ภิกขุผู้ไม่ยินดีไม่มีไตยจิต ไม่มีความประสงค์จะให้ตายไม่มีความประสงค์จะอวดไม่มีความประสงค์จะปล่อยปล่อยหน้าสติไม่แกล้งไม่รู้แล้วก็เพราะไม่มีสติพวนี้มันจะเป็นอานาบัตไม่ต้องอาบัตครั้นเธอนําสูตรนั้นมาเอื้องแล้วจักระงับอธิกรณ์นั้นได้จิงอยู่ที่สุดใดเป็นผู้ฉลาดในวินัยสี่อย่างก็คือสูตรสุด ต, ตานุโลมแล้วก็อาริยวาาอัต โ, โนมัติหรือก็ เราวินัยนะเป็นวินัยสีอย่างสูตรหมายถึงพุทธพจน์สุตตานุโลมหมายถึงมหาประเทศอจจริยวา่าก็หมายถึงอตัตยธรรจารย์ตั้งแต่พรมหากรสปฐีระผู้ตทำสังขยาสั้งแรกแล้วก็อัตโนมัตินี่ก็หมายถึงกําเนิดส่ว น, นตัวแล้วก็หมายถึงพวกดีกาจารย์แล้ะก็อตัตยธรรรุ่นหลังๆแล้วก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะสามสมบูรณ์ด้วยลักษณะสามก็ได้แก่ เป็นผู้ที่มีความคล่องแคล่วในสูตรก็คือพระวินัยปิโตกจดจําไว้ได้อย่างดีคล่องแคล่ววินิจฉัยดีโดยสูตรโดยทฤษฎีชนะข้อที่หนึ่งะข้อที่สองก็คือพระวินัยทรนนั้นเป็นผู้ที่มั่นคงแล้วก็ไม่งอนง่นในพระวินัยเป็นผู้มีศีลดีเป็นผู้ที่ใครมาสอบมาถามอะไรก็ไม่วันไหวเพราะว่าทรงจําได้อย่างดีเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในงอนง่นในวินัย ส่วนอันที่สามลักษณะของพระวิเนททรพระที่สามก็คือลำดับของอาจารย์ในลำดับที่พระวิเนททรนั้นจําได้ถูกต้องทําให้ขึ้นใจไว้ดีแล้วก็คไขขวดถูกต้องด้วยว่าตนเองเรียนมาจากอาจารย์ไหนอาจารย์ที่เราไปเรียนนั้นก็เรียนมาจากพระวิเนททรรูปไหนจนทั้ทงไปถึงพระอุบาลีไปถึงพระพุทธเจ้าก็สามารถจะจำได้แต่ท่านบอกว่าถ้าจำไม่ได้ให้จําเพียงสองสามระดับก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ตรวจดูฐานะหกอย่างนี้ คณนะอย่างนี้ก็ได้แก่เรื่องหมายถึงพระพุทธพจน์ที่ท่นบัญญัติไว้ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มกรรคกาหมายถึงปาฏิโมกขวดภาชนีก็คือการจําแน่ติกาปฏิเฉต์นั่ก็คือเป็นอบดติกาปาจิตติบ้างปิกาสำคัญทิเศษบางปิกาทุกทกฎบ้างอันตราบาัตจะได้แก่อับดในระหว่าง น, นั้นที่จะไปต้องอาบาับดใจอับดกระวา่างเกิดขึ้นอย่างไรบ้างแล้วก็อนาบหมายถึงการไม่ต้องอับด เมื่อตรวดูอย่างเนี้ฉลาดในวินัยสอย่างสมบูรณ์ในลักษณะสามตรดูฐานะหกอย่างมีแล้วจักเระ่องับอธิกรได้การวินิจฉัยอธิกรของพิกูดนั้ น, น, นใครให้เป็นไปทัดเทียมคือคัดค้านไม่ได้ย่อดเป็นเช่นกับวินิจฉัยที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งวินิจฉัยเองผ่านพิจุบางรูปผู้ทําการล่วงละเมิดศีกาบทแล้วเข้าเปหาพิจูผู้ฉลาดในการวินิจฉัยนั้น อย่างนั้นแล้วพึงถามถึงข้อรังเกียจสงสัยของตนไซส์ที่สู่ผู้ฉลาดในการไิ้ัยนั้นควรกําหนดให้ดีถ้าเป็นอนาบัติคือไม่ต้องอบัตก็ควรบอกว่าเป็นอนาบัติแต่ถ้าเป็นอบัตก็ควรบอกว่าเป็นอาบัตถ้าอาบัตนั้นเป็นเทสนาคามินีก็คือแสดงกันได้เนามันเบาก็ควรบอกว่าเป็นเทสนาคามินีถ้าเป็นวุธานคามินีก็คืออบัตสนิดพิเศษที่จะต้องอยู่กรรม ต้องให้สงฆ์ทำกรรมให้ก็ควรบอกว่าเป็นวุฒิฐานะคานีถ้าเนาแห่งอาบัติปาราชิกปรากฏการพิจูตผู้ฉราดในการนิชัยนั้นใส้ไม่ควรบอกว่าเป็นอาบัติปาราชิกถ้าเกิดมีแววที่จะเป็นปาราชิกอย่าเพิ่งบอกว่าเป็นปาราชิกเพราะเหตุไรเพระเหตุหว่าการล่วงละเมิดเ ม, เมถุนธรรมและการล่วงละเมิด อ, อุตริมนุสธรรมเป็นของหยาบสิกขาบท ปาราชกข้อที่หนึ่งเศษเบทูลกับใครก็ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นสตรีบรุตรสัตว์เดรัจฉานอารเศเบทูลกับการอวดอุตริมุสธรรมเนี่ยนะรู้ได้ง่ายเป็นของหยากส่วนการละเมิด อ, อธินนาทานและมนุษย์สับวิขะเป็นของสุ ข, ขุมมีจิตเปลี่ยนแปลงเร็วต้องอบัตปาราชิกที่เป็นอธินนาทานกับการผ้ามนุษย์นี่ละเอียดพราะฉะนั้ น, นี้ต้องวิจัยอย่างดี แม้ว่าอ่าที่จะเป็นประราชิกบุคคลที่มาบอกตมาปุิสารคิดว่าน่าจะเป็นประราชิกแต่ว่าก็อย่าเพิ่งบอกว่าเป็นประราชิกเพราะว่าถ้าจิตใจเปลี่นแปลงหรือว่าการวินิจฉัยนั้นละเอียดถอก็อาจจะทําให้ไม่เป็นประราชิกได้เช่นของนั้นมีราคาห้ามาศกิงแต่ว่าพระศิว์ที่ไปรักนั้นเป็นผู้มีฐานะจิตด้วยแต่เจ้าของเขาสละแล้วเจ้าของเขาให้เจ้าของเขาสละแต่พระศิวผู้ที่รักนี้ก็คิดว่าเจ้าของเขาไม่ได้ให้ คิดว่าเป็นประราชิกแต่ความจริงแล้วไม่เป็นถ้าเจ้าของก็สละแล้วเห็นรักษาด้วยไถยจิตของมีราคาห้ามบักต้อบำบัดแค่ทุกข์เท่านั้นมันก็ต้องวินิจฉัยให้ดีเทก่สุ่ย่อมต้องมีติกมะทั้งสองนั้นด้วยอาการสุขขุมทีเดียวก็คือเป็นเรื่องที่ละเอียดการล่วงละเมิดสองข้อประราชิกข้ออธินนาทานกับการฆ่ามนุษย์และย่อมรักษาไว้ด้วยอาการสุขขุมเหมือนกันก็คือไม่ได้ต้องอาบัติหรอกเพราะว่ามันละเอียดต้องวินิจฉัยให้ดี เพราะฉะนั้นพิสุผู้ถูกความรังเกียจสงสัยซึ่งมีความละเมิดนั้นเป็นที่ตั้งโดยพิเศษไม่ควรพูดว่าต้องอาบัตพระวินัยทรนี้อย่าเพิพูดว่าต้องอาบัตถ้าอาจารย์เธอยังมีชีวิตอยู่ไหนหลังจากนั้นพิสุผู้ฉลาดในการนิชัยนั้นควรส่งพิกจุนั้นไปว่าเธอจงถามอาจารย์ของข้าพเจ้าดูเถิด อ, อย่าเพิ่งมนิชัยแต่ว่าให้ไปถามอาจารย์ก่อนพระวินัยทรเนี่ยให้บอกไปถามอาจารย์ของผมดูก่อน ถ้าเธอกลับมาอีกบอกว่าอาจารย์ของท่านตรวจดูจากพระสูตรเท่าวินัยแล้วบอกผมว่าเป็นสัตเตกิจฉาก็คือยังพอแก้ไขได้หมายถึงว่ายังไม่ต้องอัมบัตตระชิกในการนั้นที่ถูกผู้ฉลาดในการวินิจฉัยนั้นควรพูดกับเธอว่าดีละดีละเธอจงทําอย่างที่อาจารย์พูดแล้วก็คือให้ให้รู้ว่าไม่ได้เป็นอบัตตระชิกแต่เป็นอบัตเบาก็แก้ไขโ ด, ดยการบริสุทิ์อัมบัตเสีย ก็ท่านอาจารย์ของเธอไม่มีไซต์แต่พระเถระผู้เล่าเรียนร่วมกันมีอยู่เพ่งส่งเธอไปยังสํานักของพระเถระนั้นด้วยสั่งว่าพระเถระผู้เล่าเรียนร่วมกับข้าพเจ้าเป็นคณะปามโมก ค, คือเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นอาจารย์สอนคณะอยู่ยังมีชีวิตอยู่เธอจงไปถามท่านดูเถิดแม้เมื่อพระเถระ น, นั้นวินิจฉัยว่าเป็นสัติกิจฉาก็ควรบอกกับเธอว่าดีละดีละ เธอจงทําตามคําของพระเถระนั้นตรงนั้นก็ไม่ได้เป็นประชิดถ้าแม้พระเถระผู้เราเรียนร่วมกันของเธอไม่มีไซตมีแต่พิกจุผู้เป็นอันเทวาสิทธิ์ซึ่งเป็นบัณฑิตพึงส่งเธอไปยังสํานักของพิกจุผู้เป็นอันเทวาสิทธินั้นด้วยสั่งว่าเธอจงไปถามพิจุหนุ่มรูปนู้นดูเถิดแม้เมื่อพิกษุผู้เป็นอันเทวาสิทธินั้นวินิจฉัยว่าเป็นสัติกิจฉาก็ควรพูดกับเธอว่าดีละ เธอจงทําตามคําของพิจุนั้นให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีแววที่จะเป็นปราชิตเกิดมึนตัดสินแต่ว่าให้ไปถามท้าวินัยทรดูหลายๆท่านหลายๆคนถ้าเขาบอกว่าเป็นสติกิจฉาก็าคือยังเยอยวยาได้ไม่เป็นอบัติปราชิตก็ให้ไปตามาคํานั้นแต่ถ้าเราแห่งอบัติปราชิตนั้นแหล่ปรากฏแม้แต่พิกจุนหนุ่มไซส์ให้ไปถามแล้วพิจุท้าววินัยทอรูปไหนเขาก็บอกว่าเป็นปราชิตหมด แม้อันพิจูดหนุ่มนั้นก็ไม่ควรบอกพิจูดผู้ต้องอบัตว่าเธอเป็นประราชิกคือถ้าเป็นประราชิกจริงนี้ก็ยังไม่ต้องบอกว่าเป็นประราชิกจริงอยู่ความบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าเป็นของได้ด้วยยากการบรรชาและการอุปสมบทก็เป็นของได้า ย, ยากยิ่งกว่านั้นแต่พระวิเนททรควรพูดอย่างนี้ว่าเธอจงปัดกวาดโอกาสที่เงียบสงัดแล้วนั่งพักกลางวันชำระสีนให้บริสุทธิ์ จงมนัสิการอาการสันสองดุกอนก็คือแม้ว่าเป็นปรานิกแล้วก็จะพูดแต่ว่าคือน่าจะให้เขามีโอกาสได้อยู่ในพระงวุฒิศาสนานานๆเพราะฉะนั้นให้เป็นบำเพ็ญกรรมฐานันตัวการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นยาการบวชก็เป็นของยากให้ไปบำเพ็ญกรรมฐานคือปัดขวาเาสียดชนะให้เรียบร้อยชัยชนะศีลให้ดีแล้วก็มรณสิการกรรมฐานอาการสันวสองดุกอนซิษ ถ้าศีลของิถุนั้นไม่ด่างพร้อยไซส์กรรมฐานย่อมสืบต่อก็คือสามารถไรียกทำจิตให้สงบระงับจิตแน่นๆสืบต่อกันไปนานๆสำคัญทั้งหลายก็เป็นของปรากฏชัดขึ้นคือถ้าพิจารณาวิปัสสนานะที่นานากรมารูปธรรมก็เห็นในนามธรรมรูปธรรมกันหนะ้านั้นชัดเจนขึ้นจิตก็จะเป็นเอกคตาดุจได้บรรลุอุปจาระและอัปปนาสมาธิฉะนั้น การที่จะทำมานไปก็จิตจะแนบแน่นเหมือนกับได้อุปจาระหรือว่าอัปนาทีเดียวถึงวันจะล่วงเลยไปแล้วก็ตามเธอก็ไม่ต้องเพราะว่าใส่ใจในกรรมฐานสงบสืบต่อกันอยู่ในเวลาวันล่วงเลยไปเธอมาสู่ที่อุปถาแล้วควรพูดอย่างนี้ว่าความเป็นไปของจิตของเธอเป็นอย่างไรก็คือถ้าเกิดเข้ามาในสำนักของพระวิ น, นัยก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างล่ะเธอมาเป็นกรรมฐานแล้ว ก็เมื่อเธอบอกความเป็นไปแห่งจิตแล้วควรพูดกับเธอว่าขึ้นชื่อว่าบรรพชามีความบริสุทธิ์แห่งจิตเป็นประโยชน์เธออย่าประมาทบำเพ็ญธรรมะธรรมเธอตกล ง, งก็ไม่เป็นประดาชิกส่วนที่สุดใดมีศีนขาดกรรมฐานความิสุดนั้นย่อมไม่สืบต่อจิตย่อมปั่นป่วนคือถูกไฟคือความเดือดร้อนแผดเผาอยู่ดุดถูกทิ่มแทงด้วยประตักชนะย่อมออกในขณะนั้นนั่นเอง ดุจนั่งบนแผ่นหินที่ร้อนฉะนั้นเธอมาแล้วถามว่าความเป็นไปห่งจิตของเธอเป็นอย่างไรเมื่อเธอบอกความเป็นไปทางจิตแล้วก็ควรพูดว่าขึ้นชื่อว่าความลับของผู้กระทําความชั่วย่อมไม่มีในโลกแท้จริงบุคคลผู้กระทําความชั่วย่อมรู้ด้วยตนเองก่อนคนอื่นทั้งหมดจะไปบําเพ็ญกรรมฐานแล้วก็จิตก็ไม่สงบ จิตเราร้อนอุ่นวายด้วย ร, ร้อนไม่สามารถที่จะมีสติทำยัญญะในการที่จะริญกรรมฐานในสืบต่อได้ก็อันนี้แต่หาวิเนทอนวิเนทอนก็จะบอกกันนะว่าคนไม่เบิกุดก็จะเป็นอย่างนี้แหละต่อจากนั้นอารักษะเทพยายดาทั้งหลายสมณพราม์และเทพเจ้าเหล่าอื่นผู้รู้จิตของบุคคลอื่นย่อมรู้ความชั่วของเธอบัดนี้เธอนั่นแหละจงแสวงหาความสวัสดีแก่เธอเองเถิด เมื่อพิจูผู้มีการก้าวล่วงอบัติอันกตาธรรมแล้วมาบอกเธอเองเพึ่งปฏิบัติตามใดที่กล่าวแล้วนั่นแหลก็คือบอกให้ไปหาความสวัสดีเสียนะก็เป็นอันพูดไกลๆนะว่าเธอจงศึกไปที่เธอหรือว่าไปเรีนธรรมเนียมให้เธอเพราะว่าจะเป็นความสวัสดีกับตัวเองแต่ถ้าเกิดอยู่ในเพศของบรรดาชิดโดยที่อบดัล ต, ต้องปรราชิดอยู่ก็จะมีโทษ บัตรนี้พึงทราบวินิจฉัยด้วยสามารถแห่งเบื้องต้นท่านกลางและที่สุดเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่การรู้สมบัติและวิบัติแห่งการโจดมีประเภทดังกล่าวแล้วในก่อนนั้นคือการโจดมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่านกลางมีอะไรเป็นที่สุด น, นี่ก็จะพูดถึงเรื่องการโจดอบัติซันการโจดนั้นมีการขอโอกาสอย่างนี้ว่าท่านเจ้าประสงค์จะกล่าวกับท่าน ขอท่านผู้มีอายุจงให้โอกาสแก่ผมเถิดดังนี้เป็นเบื้องต้นการโจทย์ที่มีการขอโอกาสก่อนนะั้นเป็นเบื้องต้นแล้วว่าถ้าโจทย์โดยที่ไม่ขอโอกาสก่อนนี่ต้องอวัตทุกข์ไม่อนุญาตทระพุทธเจ้านี้ต้องให้ขอโอกาสก่อนต้องให้เขาพร้อมให้เขาเตรียมตัวพร้อมก่อนจึงโจทย์ได้การโจทย์แล้วไต่สวนวิจฉัยเรื่องที่หยั่งลงแล้วเป็นท่ามกลางเมื่อมีการโจทย์กันก็ต้องมีการไต่สวนมีการวิจฉัยกัน การระงับด้วยการตัดสินว่าเป็นอาบัตหรือว่าอนาบัติเป็นที่สุดก็มีการตัดสินเป็นที่สุดการโจดนั้นมีการเผอกาสเป็นเบื้องต้นมีการวินิจฉัยสอบสรวนเม็ดท่านกลางแล้วก็มีการจับหรือว่ามีการแสดงว่าเป็นอาบัตหรือว่าไม่เป็นอาบัตเป็นที่สุดการโจนมีมูลเท่าไหร่มีวัตถุเท่าไหร่มีกลุมเท่าไหร่แล้วก็เป็นคำถามต่อไปนะว่า การโจทย์นั้นมีมูลสองก็คือการโจทย์ที่มีมูลอย่างหนึง่งการโจทย์ที่ไม่มีมูลอย่างหนึง่งบางคนก็โจทย์โดยที่มีเรื่องให้โจทย์บางคนก็แกล้งหาสิ่งที่ไม่มีมูลมาแล้วก็มาโจทย์ไปโจทย์ปรับเขาว่าเป็นอ บ, บัติประราชิกเขาไปเสดเมถุนโดยที่เขาไม่ได้ไปเสดเมทุนอะไรเลยอย่างนี้ก็มีโทษแต่คนโจทย์เองแต่ถ้ามีคนบอกว่าคนนั้นอั บ, บัติประราชิกก็เลยไปโจทย์อันนี้ก็มีมูลเพราะว่าได้ยิน ก็มีวัตถุสามก็คือเรื่องที่เห็นเรื่องที่ได้ยินแล้วก็เรื่องที่สงสัยเห็นว่าเขาไปทําอ่ะไปทําอย่างนั้นทําอย่างนี้หรือว่าได้ยินคนอื่นมาบอกหรือว่าสงสัยว่าเขาจะทำไปโจทยรูปนั้นกงจะทํำถึงนั้นทํำถึงนี้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีมูลการเห็นก็ดีได้ยินก็ดีสงสัยก็ดีนี้เรียกว่ามีมูลดังนั้นการโจทย์อันที่มีมูลมีวัตถุสามคือเห็นอย่างหนึ่งได้ยินอย่างหนึ่งแล้วก็สงสัยอย่างหนึ่งมีภูมิห้า ภูมิห้านี้ก็หมายถึงว่าความเหมาะสมในการที่จะโจทย์จะต้องมีองค์ห้าในกันก็คือข้อที่หนึ่งเราจะพูดโดยการอันสมควรจกไม่พูดโดยการอันไม่สมควรก็คือต้องรู้เวลาว่าการไหนควรที่จะโจทย์การไหนไม่ควรโจทย์ข้อที่สองก็คือจะพูดด้วยคำจริงจกไม่พูดด้วยคําไม่จริงต้องกล่าวด้วยคำจริงเท่านั้น ข้อที่สามจะพูดด้วยความสุกภาพจะไม่พูดคำหยาบเวลาโจทย์ก็ต้องโจทย์ด้วยจิตที่ดีงามต้องพูดถึงเราะพูดสูกภาพหวังเพื่อคูให้เขาออกจากอบัตย์ก็ที่สี่จะพูดด้วยคําประกอบด้วยประโยชน์จะไม่พูดคําไม่ประกอบด้วยประโยชน์ข้อที่ห้าจะมีเมตตาจิตพูดจากไม่พูดด้วยไหมมุ่งร้ายกล่าลวมันก็ต้องมีเมตาตาประกอบในการที่โจทย์ให้ออกจากอบัตย ก็แลในเรื่องการโจดนี้พิธุผู้โจดพึ่งตั้งอยู่ในธรรมะสิบห้าประการที่กล่าวในอุบาลีปัญจกะโดยในเป็นต้นว่าเราเป็นผู้มีกายแสตมาจารันบริจดคือหนออย่างนี้เป็นต้นนั้นคนที่จะโจดนี้ก็ต้องมีคุณธรรมถึงสิบห้าอย่างก็คือตัวเราเองเรียนบริจดไหมกายกรรมบัญกรรมนองกรรมของเราบริจดหรือเปล่าถ้าบริจดก็สมควรที่จะพิจารณาธรรมข้ออื่น ถ้ามีธรรมะสิบห้าประการนี้แล้วควรจะโจทย์ได้แต่ตัวเองก็ยังไม่เบิกบทเลยกายวาจาใจก็ยังประพฤติอนาการยอยู่อย่างนี้ไม่ควรจะไปโจทย์ผู้อื่นพิสูจผู้เป็นจำเลยนั้นควรตั้งอยู่ในธรรมสองประการก็คือสัจจะความจริงอย่างหนึง่งแล้วก็ความไม่โกรธอย่างหนึง่งถ้ามีคนอื่นมาโจทย์เราก็จะต้องเป็นผู้ที่ยอมรับความจริงว่าถ้ามีอบัติก็คืออบัตนั่นแหละถ้าไม่มีอบัติก็บอกว่าไม่มีอบัติ แล้วก็ต้องไม่โกรธตอบด้วยต่อไปพิกจุผู้วินิจฉัยอธิกรณพึงถามพิกจุผู้โจทย์ว่าผู้มีอายุข้อที่ท่านโจทย์พิจุรูปนี้นั้นโจทย์เพราะเรื่องอะไรท่านโจทย์ด้วยศีลวิบัติอาจาระวิบัติหรือโจทย์ด้วยทิศถิวิบัติศีละวิบัติก็ได้แก่ประราชิกประราชิกสำคัญพิเศษเป็นศีลวิบัติอาจารย์วิบัติก็ได้แก่อบัตบ ที่เป็นปาจิตติปาจิตเดสัญญาทุกโกทุกปาสิก ท, ทุกลุจใจพวกนี้เป็นอาจาราวิบัติส่วนทิติวิบัติก็ได้แก่ความเห็นผิดสันตักใครกับทิฏฐิเห็นว่าที่ยังเห็นว่าขาศูนย์พวกนี้ก็เป็นทิฏฐิวิบัติถ้าภิสูุผู้โจท์นั้นตอบอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าโจทด้วยเสลวิบัติโจทด้วยอาจารวิบัติหรือว่าข้าพเจ้าโจทด้วยทิฏฐิวิบัติพิสูตผู้วินิตรไชอธิกรึงซักถามโจดอย่างนี้ว่า ท่านรู้จักสีลวิบัติอาจารวิบัติทิฏฐิวิบัติหรือถ้าพิกจุผู้โจตอบอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้ารู้จักสีลวิบัติรู้จักอาจารวิบัติรู้จักทิฏฐิวิบัติที่สูผู้วินิจฉัยอธิกรณพึงซักถามโจอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้อศีลวิบัติเป็นเฉไงอาจารวิบัติเป็นเฉไงทิฏฐิวิบัติเป็นเฉไงถ้าพิกจูผู้โจพึงตอบอย่างนี้ว่าปาราชิกสีสังฆาทิเศษที่สามนี้จัดเป็นสีรวิบัติ ถุลใจปาจิตตีปาติเดสนิยะทุกโกรทุกปาสิตอันนี้เป็นอาจารวิบัติวิีฉาทิฏฐิอันตะไครากาทิฐินี้เป็นทิฐิวิบัติเพราะฉะนั้นคนที่จะโจทย์คนอื่นนี้ก็ต้องมีความรู้ท้าววิเนทรก็ต้องถามซักก่อนว่าจะโจทย์เรื่องอะไรมีความรู้ในการโจทย์หรือเปล่าไม่อยงนนเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องพิสูจผู้วินิจฉัยอธิกรณ์พิงซักถามพิสูจน์ผู้โจทย์อย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้อที่ท่านโจทย์พิสูุรูปนี้นั้น โจทย์ด้วยเรื่องที่เห็นโจทย์ด้วยเรื่องที่ได้ยินได้ฟังหรือว่าโจทย์ด้วยเรื่องที่สงสัยถ้าภิกษุผู้โจทย์ตอบอย่างนี้ว่าครับเจ้าโจทย์ด้วยเรื่องที่เห็นหรือว่าโจทย์ด้วยเรื่องที่ได้ยินหรือว่าโจทย์ด้วยเรื่องที่สงสัยภิกษุผู้นิชัยอธิการพึงสักถามโจทย์ตอบไปว่าผู้มีอายุข้อที่ท่านโจทย์ภิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่เห็นนั้นท่านเห็นอะไรเห็นอย่างไรเห็นเมื่อไรเห็นที่ไหน ท่านเห็นพิจารูปนี้ต้องอบัตปาราชิกหรือหรือว่าท่านเห็นพิจารณรูปนี้ต้องบัตสังฆทิเศตถุรจัยหรือว่าปจิตตีหรือว่าปาริเดศริญญาทุกกอหรือว่าทุปาสิทธิ์ท่านอยู่ที่ไหนและวิจารูปนี้อยู่ที่ไหนท่านทําอะไรอยู่และพิจารูปนี้ทําอะไรอยู่ก็ต้องซักถามอย่างละเอียดดูที่ว่าคนที่กขมาโจรเนี่ยเขาจะมีสติมั่นคงในการที่รู้ตัวหรือเปล่าว่าโจรจะเป็นธรรม ถ้ามีความรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะมีเมตตาในกิเลสโจรที่ออกจากอบัติจริงจะต้องจดจําได้ว่าพิสูุรูปที่ถูกโจด น, นั้นอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่ผู้โจดทําอะไรอยู่นี่ก็ต้องจดจําได้หมดถ้าพิสูรผู้โจด น, นั้นตอบอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้ามีได้โจดพิสูรรูปนี้ด้วยเรื่องที่เห็นแต่ว่าข้าพเจ้าโจดด้วยเรื่องที่ได้ยินได้ฟังพิสูรผู้วินิจฉัยที่ก่อนพึงสักถามโจดอย่างนี้ว่า พ่อที่ท่านโจทย์พิษูรูปนี้ด้วยเรื่องที่ได้ยินได้ฟังนั้นท่านได้ยินได้ฟังอะไรได้ยินได้ฟังว่าอย่างไรได้ยินได้ฟังเมื่อไรท่านได้ยินได้ฟังที่ไหนท่านได้ยินได้ฟังว่าพิษุรูปนี้ต้องบัตบราชิกหรือหรือว่าต้องบัตสงการิเศษตุระัยปาจิตตีปาติเดสนิยะทุกฏหรือว่าทุกาสิท่านได้ยินได้ฟังต่อภิกษุหรือ หรือได้ยินได้ฟังต่อภิกษณุณีได้ยินได้ฟังต่อสิกขมามนาสัมมาเนสั ม, มนเนตรีอุบาสกอุบาสิกาพระราชาราชามหาามาเนรถีหรือว่าถ้าได้ยินได้ฟังจากสาวกของเนรถีถ้าภิกตูผู้โจทย์ตอบอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้ามีได้โจทย์ภิกตุรูปนี้ด้วยเรื่องที่ได้ยินได้ฟังแต่ข้าพเจ้าโจทย์ได้เรื่องที่สงสัยภิกตูผู้นิจฉัยอธิกรณ์พิงซักถามโจทย์อย่างนี้ว่า ผู้มีอายุข้อที่ท่านโจทย์ที่ตัวรูปนี้ด้วยเรื่องที่สงสัยนั้นท่านสงสัยอะไรสงสัยว่าอย่างไรสงสัยเมื่ อ, อไรสงสัยที่ไหนท่านสงสัยว่าทิกตุรูปนี้ต้องอบัตตาราชิกหรือท่านสงสัยว่าที่สูรูปนี้ต้องอบัติสังทาทิเศตหรือว่าถุรนใจปาจิาตีปาติเดสนิยะทุกกทหรือว่าทุภาสิทท่านได้ยินได้ฟังต่อทิ่ตุจึงสงสัย หรือว่าได้ยินได้ฟังมาจากพิกตุณีสิกามานาสมมเนธสมเน ร, เนรีอุบาสกอุบาสิกาพระราชาราชมหาอมาตยของพระราช า, า, า, า, ชาเดรธีหรือว่าท่านสงสัยเพราะได้ฟังมาจากสา ว, วกของเดรธีและจึงสงสัยเรื่องที่เห็นสมด้วยเรื่องที่เห็นเรื่องที่เห็นเทียบกันได้กับเรื่องที่เห็นแต่บุคคลนั้นไม่ยอมรับพระอาศัยการเห็นบุคคลนั้นถูกรังเกียจโดยไม่มีมูล เพิ่งปรับบัตตามปติญญาเพิ่งทำอุโบสถกับบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องสักถามไล่เรียงอย่ท่านได้ความเข้าใจตรงกันจึงมาวินิจฉัยที่ก่อนแต่ถ้าสอบถามไล่เรียงแล้วคนนั้นก็พูดกลับไปกลับมาผู้ที่โจทย์เนี่ยพูดกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นไม่วินิจฉัยให้เพราะว่าจะต้องสมกันก็นกคือผู้โจทย์กับผู้ที่ถูกโจทย์ก็จะต้องพูดตรงกัน ถ้าผู้ที่ถูกโจทมนั้นไม่ยอมรับคือไม่ปฏิญญานี้ก็ยังปรับอาบัติไม่ได้ก็ต้องวินิจฉัยกันต่อนะว่าใครจะพูดมีเหตุผลมากกว่ากันเรื่องที่ได้ยินได้ฟังสมด้วยเรื่องที่ได้ยินได้ฟังเรื่องที่ได้ยินได้ฟังเทียบกันได้กับเรื่องที่ได้ยินได้ฟังแต่บุคคลนั้นไม่ยอมรับเพราะอาศัยการได้ยินได้ฟังบุคคลนั้นถูกรังเกียจโดยไม่มีมูลพึ่งปรับอาบัติตามปฏิญญาพึ่งตั้งอุโบสถกับบุคคลนั้น ถ้าจะประปะบัติก็ต้องตามคำยอมรับของผู้ที่ถูกโจทย์ด้วยเรื่องที่ได้ทราบสมด้วยเรื่องที่ได้ทราบเรื่องที่ได้ทราบเทียบกันได้กับเรื่องที่ได้ทราบแต่บุคคลนั้นไม่ยอมรับถ้าอาศัยการได้ทราบบุคคลนั้นถูกระงเกียจโดยไม่มีมูลเพิ่งตับอบัตตาปฏิญญาเพิ่งทำอุโบสถกับบุคคลนั้นเถิดคำสรารภาพคำรับสรารภาพ เรากล่าวไว้ในหมู่ลัทธิแต่ข้อนั้นไม่มีในหมู่อารัฐชีอนหนึ่งพิสูจอาัฐชีพูดมากเธอพึงจับตามถ้อยคาสํานวนดังกล่าวแล้วก็คือคนที่จะปฏะเญน า, ารักสาลุภาพต้องเป็นผู้ที่เป็นลัทธีผู้ที่ไม่เป็นลัทธีนี่แล้วก็ยังพูดมากด้วยก็ให้จับหรือว่าให้นําออกจากที่นั้นไม่ต้องพิจารณาก็ได้ถ้าเป็นผู้อารัฐชีพูดมากเกินไป ไม่อยู่ตามคำที่พระวินัยทรผู้ที่ชนิชัยสอบถามก็ให้กำจัดเสียอีกอย่างหนึ่งอันภิกษุผู้เข้าสงครามเมื่อเข้าหาสงฆ์พึงเป็นผู้มีจิตยำเกลงมีจิตเสมอด้วยผ้าเช็ดทุรีเข้าหาสงฆ์พึงเป็นผู้ฉลาดในอาสนะฉลาดในการนั่งไม่นั่งเบียดภิกษุผู้เถระไม่กีดการภิกษุใหม่ด้วยอาสนะพึงนั่งอาสนะตามจมควรไม่พึงพูดเรื่องต่าง ไม่พึงพูดเรื่องดีร์ฉานกถาพึงกล่าวทำเองหรือพึงเชื้อเชิญวิสุรูปอื่นให้กล่าวทำหรือไม่พึงดูหมิน่นความเป็นผู้นิ่งอย่างอริยะการเป็นผู้นิ่งแบบพระ อ, อริยะคือเข้าฌานสามโดยปัจจกนัยเพราะว่าเป็นฌานที่พระ อ, อริยะยจ้าสรรเสริญหรือว่าเป็นผู้ที่พิจารณาธรรมะเจริญปัสนาภะได้ต น, น, น, นี้เรียกว่าเป็นผู้นิ่งด้วยความเป็นปริยะอันบุคคลผู้นิชัยอธิกรที่ทรงอนุมัติแล้ว มีความประสงค์จะไม่ิจฉัยอธิกรณ์ไม่พึงถามถึงอุปชาไม่พึงถามถึงอาจารย์ไม่พึงถามถึงสัจิวิหาริกไม่พึงถามถึงอันเทวาสิกไม่พึงถามถึงปิโุปูนอุปชาไม่พึงถามถึงปิโุปูนอาจารย์ไม่พึงถามถึงชาติไม่พึงถามถึงชื่อไม่พึงถามถึงโคตไม่พึงถามถึงอาคมก็คือความรู้ทางด้านปริยัตไม่พึงถามถึงตระกูลไม่พึงถามถึงชาติภูมิข้อนั้นเพราะเหตุใด เพราะความรักหรือความชังจะพึงมีในบุคคลนั้นเมื่อมีความรักหรือความชังพึงลำเอียงเพราะความชอบบ้างลำเอียงเพราะความชังบ้างลำเอียงเพราะความหลงบ้างลำเอียงเพราะความตัวบ้างเพราะจะนั้นไม่ต้องถามถึงสิ่งต่างๆเกี่ยวกับบุคคลนั้นประวัติความเป็นไปของบุคคลนั้นก็ไม่ต้องถามเพราะว่านี่จะทำให้เกิดอังคติทั้งสี่อันที่สุดผู้วินิจฉัยอธิกรที่ส่งอนุมัติแล้วมีความประสงค์จากวินิจฉัยอธิกรพึงเป็นผู้หนักในถง ไม่พึงเป็นผู้หนักในบุคคลพึงเป็นผู้หนักในท่าศัตรรมไม่พึงเป็นผู้หนักในอามิธพึงเป็นผู้ไปตามอำนาจแห่งคดีไม่พึงเป็นผู้เห็นแก่บริษัทพึงวิ่ไดฉัยโดยการอันควรไม่พึงวิ่ได้ใชโดยการอันไม่ควรพึงวิ่ได้ใช้ด้วยคำจริงไม่พึงวิ่ไดฉัยด้วยคำไม่จริงพึงวิ่ได้ใชด้วยคำถูกภาพไม่พึงวิ่ไดฉัยด้วยคำยาพึงวิ่ได้ใช้ด้วยคำประกอบด้วยประโยชน์ไม่พึงไม่ิด้ใช้ด้วยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์ พึงเป็นผู้มีเมตตาจิตญานิชัยไม่พึงเป็นผู้มุ่งร้ายวิญิชัยไม่พึงเป็นผู้กระเซ็ตที่หูไม่พึงคอยจับผิดไม่พึงขยิบตาไม่พึงเลิกคิ้วไม่พึงชงเนื้อศีรษะไม่พึงทําวิการแห่งมือไม่พึงแสดงปลายนิ้วมือก็ต้องไม่แสดงกิริยาอานตรนี้เป็นกายยมยัตเหล่านี้ก็ควรจะพูดออกมาตรงตรงพึงเป็นผู้ฉลาดในอาชนะพึงเป็นผู้ฉลาดในการนั่ง พึงนั่งลงบนอาสนะของตนทอดตาชั่วแอบเพ่งเนื้อความไม่พึงลุกจากอาสนะไปไม่พึงยังกาวินิจฉัยให้บกพร่องไม่พึงแสดงอาบัตไม่พึงพูดซัดสายพึงเป็นผู้ไม่รีบด่วนไม่พลุนผลไม่ดุดันเป็นผู้อดได้คืออดทนได้ต่อถ้อยคำพึงเป็นผู้มีเมตตาจิตคิดเอ็นดูเพื่อประโยชน์พึงเป็นผู้มีความกรุณาขวนขวายเพื่อประโยชน์ พึงเป็นผู้ไม่พูดพลอ ย, ยเป็นผู้พูดมีที่สุดก็คือไม่พูดมากพึงเป็นผู้ไม่ผูกเวรไม่พูดวาจาให้ขัดเทืองพึงรู้จักตนรู้จักผู้อื่นพึงสังเกตโจทย์พึงสังเกตจำเลยก็คือต้องรู้เกียรติยาอาการของโจทย์ว่าเป็นอย่างไรจำเลยเป็นอย่างไงมีอาการหนุกเหล็กหรือว่าทำเพิ้รธหรือเปล่าพึงกําหนดผู้โจทย์ไม่เป็นธรรมพึงกําหนดจําเลยไม่เป็นธรรมพึงกําหนด รู้ผู้โจทย์เป็นธรรมพึงกำหนดรู้จำเลยเป็นธรรมพึงกำหนดข้อความอันสองฝ่ายกล่าวไม่ให้ตกล่นก็คือจะจำให้ได้ไม่แสนข้อความที่เขาไม่ได้กล่าวก็คืออย่าพูดเกินเลยสิ่งที่เขาพูดพึงจำบทพยัญชนะอันเข้าประเด็นไว้อย่างดีสอบสวนจำเลยแล้วพึงปรับตามคำสารภาพโจทย์หรือจาเลยประมาพพึงพูดเอาใจเป็นผู้คลา พึงพูดตอบถ้าโจทย์จำเลยที่กลัวขาดโดยร้องให้พูดลอบเป็นผู้ดุพึงห้ามเสียถ้าโจทหรจือจําเลยในดุตข้อก็อให้ห้ามเป็นผู้ไม่สะอาดพึงเปิดเผยคือประกาศความเป็นอันรับชีแล้วให้แสดงอาบัตเป็นผู้ตรงพึงประพฤติต่อด้วยความอ่อนโยนถ้าโจทหรจือจําเลยเป็นผู้ที่ซื่อตรงก็ให้ประพฤติต่อด้วยความอ่อนโยน ไม่พึงถึงฉันทะคติโทสาคติโมหคติพยาคติพึงวางตนเป็นกลางทั้งในธรรมทั้งในบุคคลก็แลริสุผู้วินิจฉัยอธิกรเมื่อวินิจฉัยด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทําตามคําสอนของพระศ า, ศาสดาเป็นที่รักที่ชอบใจที่เคารพที่สรรเสริญแห่งสัพรมจรีทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนก้าถามวินิจฉัยเรื่องการโจดอบัติเป็นต้น ในบาลีมุตตะวินิชัยวินิชยะกถาสังฆ ะ, ะจบแล้วก็ขอให้ท่านทัง้งหลายเป็นผู้ที่ชื่อตรงรับคำสอนของบัณสมาสำรุจเจ้าน้มนำไปปฏิบัติอบรมตรศีรษาเพื่อเจริญมั่นคงในพระพุทธ ศ, ศาสนาสามารถตัดรู้เป็นปาริย บ, บุคคลโดยาการมินิจฉัยริเธอสาธุสาธุสาธุ